เาวนานะมาถึงวันนี้มันไม่ใช่เรื่องยากต่อไปแล้วละ่ะมันยากมาแล้วจุดที่ยากที่สุดเลยก็ยคือทำไงใจเราจะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยยากแล้วเริ่มง่ายถ้าหัดแยกธาตุแยกขันไปพอแยกธาตุแยกขันไปแล้วมีปัญหาอีกอันหนึ่งไปจ้องขันไว้เฉย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 ให้จิตสงบให้จิตมีเรื่องมีแรงเรื่องการเจริญปัญญาเป็นอุบายสอนจิตให้ฉลาดคนละเรื่องกันคนละงานกันนารเรียนธรรมะนะค่อยๆเรียนหลวงพ่อค่อยๆพาพวกเราขยับขยับมาทีละขั้นทีละขั้นแต่เดิมมีแต่พวกติดสมาธิสมาธิที่ติดเนี่ยมิจฉาสมาธิทั้งนั้นเลย ไม่ใช่สมาธิมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสตินั่งเราก็เคลิมเคลิมลืมเนื้อลื ม, ลมตัวหรือไม่เราก็นั่งเคลียดเครียดถ้าไม่เคลียดก็เคลิมถ้านั่งเคลียดเครียดเนี่ยจิตมีโทสะนั่งเคลิมเคลิ้มจิตมีโมหะบาทงทีนั่งเราเยิ้มเยิมหยาดเยิ้มใจนะมีความสุขนะโอ้ยิ้มเหมือนคนติดยาไอ้นี่มีโลภะ นั่งสมาธิแล้วกิเลสแทรกนนั่งกีชาติมันก็ไม่ได้อะไรหรอกแล้วนั่งจมกิเลสอยู่งั้นตายก็ตายจมกิเลสไปงั้น mm hmm. กระทั่งไปเป็นพลมยังเป็นไม่ได้เลยเมื่อใจไม่ได้สงบไม่ได้ทรงสารจริงงั้นยุค แ, แ, แรกที่หลวงพ่อสอนนะบางคนนะหลวงพ่อบอกเลิกทําสมาธิไปทำไมให้เลิกทํามันทํามิจฉาสมาธิแต่อย่างพวกเราเนี้ยภาวนามาถึงวันนี้นะเราแยกธาตุแยกขันได้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 พอศรัทธาเราเพิ่มขึ้นวิริยะขอาเราก็เพิ่มขึ้นก็ขยันภาวนามากขึ้นเมื่อก่อนขี้เกียจต้อถูกครูบาอาจารย์บังคับให้ภาวนาถ้าเจอหน้าก็จะรีบปั่นกันบ้านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ค่อยปั่นกันบ้านสังเกตไหมพวกนักปั่นกันบ้านเนี่ยมีน้อยลงอย่านึกว่าไม่รู้นะเราตอนสมัยก่อนนะภาวนาทุกวันไม่เลิกนะแต่บางช่วงเนี่ยมันไม่มีอะไรจะส่งกันบ้าง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 ก็ขยันมากขึ้นมันเต็มใจจะปฏิบัติเงินเบื้องต้นเนะี่ยหลวงพ่อถึงห ล, ลอกลอ่อสารภาพเลยว่าหลอกลอ่อวันหนึ่งให้ทำสิบห้านาทีทําไมให้ทําน้อยน้อยนะบางคนรู้สึกหลวงพ่อประโมทสอนอะไรทําไมมักน้อยนะักมักน้อยในความดีถือว่าเลวนะ <c oughs> มักน้อยในความดีถือว่าเลวทําไมสอนให้มักน้อยขนาดนั้นวันหนึ่งทำสิบห้านาทีเป็นอูบายของหลวงพ่อหลอกจะหลอกให้พวกเราพอนะ พเราภาวนาแล้วเรารู้ความจริงนะเราเห็นเลยใจเราเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงสั้นลงใจเคยมืดเคยบอดก็สว่างไสวขึ้นมาเนื้อศรัทธามันเพิ่ ม, มก็ขยันภาวนามากขึ้นบางคนภาวนามากไปนะถึงขนาดต้องบอกว่าช่วงนี้เพลาๆไปทำสมถะบ้างนะจเจริญสติจเจริญปัญญารวดไปเลยก็เหนื่อย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 คนก็มาเยอะมาทําบุญนะคนภาวนาไม่มากอ่ะแล้วหลวงปู่ท่านรู้หลวงปู่เรียญนี่เวลาเทศเทศครึ่งชั่วโมงไม่เทศมากกว่านั้นอ่ะเดี๋ยวโยมกลุ้มใจเนี่ยความเมตตาของท่านนี่ช่วงที่ท่านตักอาหารเนี่ยจะยาวแล้วก็ตอนที่ท่านฉันเนี่ยในอีกช่วงหนึ่งช่วงเนี้หลวงพ่อก็จะคอยได้นำคนน้นเวรียนมาถามคนนี้เหรียญมาถามทีแรก กรรมาการสาราลูชิงเขาก้งหงนะว่านี่มันกวนอะไรเนี่ยนะไม่ใช่กวนอะไรหรอกเราควนเฉยๆนี่แหละเราจะมาฟังเทศคนอื่นมากวนใจเราเองเราไม่ได้เชิญให้มาถามนะมาถามกันเอง mm hmm. สิ่งแรกๆที่สอนเนี่ยสอนมันเผลอไปแล้วรู้สึกไหมมันเผลอแล้วรู้สึกไหมมันฟุ้งซ่านแล้วรู้สึกไหมมันโลบแล้วรู้สึกไหมมันยากอยากปฏิบัติมันโลบ เครียดขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมหลวงพ่อจะถามแบบนี้เรื่อยๆเลยคนก็งงอีตาคนนี้มันสอนอะไรข้างมันนะสอนให้มีสติสติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้แม่นงั้นหลวงพ่อก็สังเกตเอาคนนี้ยหน้าตาขี้โมโห โ, หโง่เฮงให้มันพูดอะไรกับมันนิดหนึ่งก็โมโหไปหมดอ่นะพูดด้วยก็โมโหไม่พูดด้วยก็โมโหนะพวกขี้โมโหเนี่ย ตอมโมโหใจมันงเง่วนหินแล้วก็ถามโมโหแล้วรู้สึกไหมเนี่ยเขาจะได้หัดรู้สภาวะคนขี้โลภอยากปฏิบัติเนี่ยก็โลภนะอยากให้มาปุ๊บรู้ทันต่อไปก็รู้จำสภาวะของความอยากได้ก็จำสภาวะความอยากได้ต่อไปความอยากเกิดสติเกิดเองจำสภาวะของความโกรธได้พอความโกรธเกิดขึ้นสติก็โกรธเกิดขึ้นเอง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 เมื่อก่อนมันมีเพลงอ่อนซ้อมเนะเพลงอ่อนซ้อมฟังแล้วเ อ, อเข้าท่าว่ะแต่ น, นั่นมันอ่อนอ่อนซ้อมจีบสาวนีก็ไม่ชำนาญเพราะเราอ่อนซ้อมดูสภาว ะ, ะสติมันก็ไม่เกิดเนี่ยยุคแรกๆที่หลวงพ่อพาพวกเรานดูไปตรงเนี้ยมีสติฝึกสติให้มากเลยถัดจากนั้นก็ฝึกสมาธิสมาธิ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 สมาธิไม่เหมือนสติไม่เหมือนปัญญานะถ้าสติปัญญาเนี่ยเกิดกับจิตที่เป็นกุศลอย่างเดียวแต่สมาธิเนี่ยจิตอกุศลก็มีสมาธิได้งั้นสมาธิบางอย่างนะแล้วส่วนใหญ่ที่ฝึกกันนะมันคือมิจฉาสมาธนะิอย่างฝึกขยับมือนะแล้วก็ไปเพ่งอยู่ที่มือจิตเพ่งมือนิ่งอยู่เฉยๆไม่ให้จิตคิดนะนี่บังคับจิตนะแทรกแซงจิตทำไปด้วยโลภะอยากดีมองไม่เห็นว่าโลภะนะ คีดว่าแม้ขยันภาวนาวันหนึ่งทั้งสิบชั่วโมงนั่งขยับมือสั ก, กล้ามขึ้นเลยเนะี่ยหรือเดินจงกรมสะนอ้องโป่งเลยนะคีดว่าวิริยะมา ก, กได้ปฏิบัติมากจริงไม่ใช่ทําไปด้วยโลภะทําไปแล้วพอไม่สงบก็มโมโหโทรสาวข้าวมาไม่เห็นอีกทำแล้วเครียดเครียดเครียดไปเรืเ่อยเครียดจัดใจดก็สติแตกสังเกต ด, ดูคนที่เรียนกับหลวงพ่อไม่ไม่มีนะสติแตกมีแต่แตกมาก่อนแล้วจะมาเรียนให้หายไม่หายหรอก ถ้าแตกแล้วก็แตกเลยแตกแล้วแก้ยากนก็ต้องไปหาหมอบางทีหมอรักษานานๆนนหมอจะสติแตกไปด้วยนะบางคนรักษายากนั้นเรียนเรียนให้มันรู้เรื่องเรียนให้มันถูกก่อนไปทามิจฉาสมาธิสมาธิต้องประกอบด้วยสติขาดสติไม่ได้ตอนหลวงพ่อเด็กๆเรียกับท่านพ่อรีท่านพ่อรีเป็นพระดีนะแต่ตอนที่หลวงพ่อไปเรียกับท่านหลวงพ่อเด็กมากเลยเจขวบเอง แล้วอยู่ได้สองปีท่านก็สิ้นประมาณสองปนะีไปหาท่านได้แม่กี่ครั้งอ่ะมันอยู่ที่ผู้ใหญ่เขาจะพาไปหรือเปล่าแต่ท่านชอบเด็กนะถ้าเด็กเด็กไปคนเดียวนั่งตักนะเราก็ชอบนะเราก็ลื้มใจว่านะท่านรักอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่รักเราคนเดียวเราเด็กไหนไปท่านก็อุ้มทั้งถนนะรูปรูปนั่งตักนะเด็กผู้ชายนะเด็กผู้หญิงไม่เกี่ยวอยากไปเกิดเป็นผู้หญิงเองนะ เมื่อท่านสอนหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโรเรารักท่านอนะ่ะท่านสอนเราก็ทำสิแล้วนะท่านเมตตาแต่ว่าเราอยู่ห่างนี่พอหายใจเข้าพูดหายใจออกโรไปเรื่อยๆใจมันเคลิ้มออกไปใจมันเคลื่อนออกไปไม่รู้เลยว่าใจเคลื่อนออกไปรู้ไปเห็นข้างนอกนะไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรไปดู น, น้่นดูนี่จิตมันหลอนอนะ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 ถ้าไปเจอผีเนะี่ยจะทําไงหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีนะกลัวแบบดูเดือดเลือดพลัานเลยกลัวผีเนะี่ยลูกแมวในบ้านตายเนะี่ยกลางคืนจะไม่กล้านอนหลับกลัวแมวมาเข้าฝันดูสิกลัวขนาดนั้นนะ่ะสุดท้ายก็หลับนะพยายามฝืนนะพยายามฝืนแทบเดี๋ยวก็หลับเหมือนเด็กๆอนะ่ะนี่กลัวผีทําไงเรารู้อย่างหนึ่งนะว่าออกไปเห็นเนี่ยพระจิตมันเคลื่อนออกไปเพรนั้นต่อไปนี้จะไม่ให้จิตเคลื่อนไม่ให้จิตออกจากร่างกายไป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 ใจมันก็ตั้งมันขึ้นมาเงั้นทำสมาธินะทิ้งสติไม่ได้สติจำเป็นมากาเห็นไหมท่านเลยมีศรัทธาใช่ไหมมีวิริยะมีสติแล้วถึงจะไปสมาธินะไม่ใช่มีสมาธิแล้วมีสติให้มีสติก่อนแล้วค่อยมีสมาธิทีหลังฝึกสติให้ชำนาญแล้วถึงจะทำสมาธิได้ถูกในบางคนช่ํากลับหัวกลับหางบางคนกลับมากไปเลยกลับไปถึงเจริญปัญญาก่อนเลยนะเองอ่ะกคิดลูกเดียวเลยใจไม่มีสมาธิ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 เรามีสติมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราหัดรู้สภาวะไม่เลิกซ้อมทุกวันต้องหัดรู้สภาวะนะถ้าสังเกตให้ดีในมหาสติปัฏฐานเนี่ยในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยว่าให้มีเครื่องอยู่ของจิตให้มีเครื่องอยู่ให้มีวิหารธรรมนะมีวิหารธรรมแล้วมีสติระลึกอยู่ในวิหารธรรมเนะี่ยตัวนั้นทำให้สติเกิดเร็วนะพเราอยู่กับลมหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว ยืนแต่นั่งนอนรู้สึกตัวเป็นสุขเป็นทุกข์รู้สึกตัวอะไรเนี่ยโลบขึ้นมาก็รู้ไม่โลภก็รู้โกรธก็รู้ไม่ไม่ไมโกรธก็รู้หัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปพอมันหายใจขึ้นมานะมันก็รู้สึกตัวเพราะมันเคยหายใจเรารู้สึกตัวหรือขยับตัวเรารู้สึกตัวเพราะมันเคยฝึก <S <S ข, ขยับเรารู้สึกตัวหรือมีความสุขแล้วรู้สึกตัวเราเคยดูเวลาสุขขึ้นมาเรารู้ก็รู้เนี่ยจะรู้ขึ้นมาเองเนั่นจะได้สติขึ้นมา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 ถ้าดูสภ า, าะวะไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเป็นเวลาที่ต้องทําสมาธิชนิดสงบเนี่ยทำสมะำถะกรรมฐานต้องทําไม่ทําแล้วก็ใจจะไม่มีแรงแห้งแรงนะงนั้นต้องฝึกนะฝึกเอาสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวค่อยบอกก็ได้นะจริงๆสอนไว้เยอะเหมือนกันส่วนสมาธิอีกชนิดหนึ่งให้จิตตั้งมั่นเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเจริญตัญญาอันนี้สอนได้เรื่อยๆเล ย, เลยสอนแทบทุกครั้งก็คือให้รู้ทันทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะ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 เอาจิตเป็นตัวหลักถึงจะเรียกว่าจิตตสิกขาไม่งั้นก็เรียกว่าอารมณ์สิกขาสิเ น, นี่ยท่าเน้นมาที่ตัวจิตเช่นหลวงพ่อตันเด็กให้ลมหายใจจิตสงบอยู่กับลมหายใจนี่ได้สมาธิอย่างแรกสงบนี้ต่อมาก็จะมาฝึกแล้วคอยรู้ทันจิตมันไหลเข้าไปที่ลมหายใจเราเห็นนะจิตมันเคลื่อนที่ได้ไหลเข้าไปที่ลมหายใจปุ๊บพอรู้ปุ๊บจิตมันดีดผางขึ้นมาได้จิตผู้รู้ขึ้นมา หจิตมันไหลไปคิดเรารู้ทันก็จะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเมื่อจิตผู้รู้เนี่ยตรงข้ามกับจิตผู้ไหลไปผู้หลงไปคนโบราณเก่งนะใช้คําว่าหลงไหลมันหลงไปแล้วล้นไหลไปะคนโบราณนี่เก่งจริงๆเลยคนเดี๋ยวนี้บัญญัติซัพ์นะห่วยแตกมากเลยฝุดๆยอะไรเงี้ยนมันรู้แปลว่าอะไรภาษาปู่ย่าตายหญ่ก็ไม่รู้จักหรอกนะคนโบราณบัญญัติแต่ละคําเนี่ยมันเข้าใจเข้าใจไม่ใช่เข้าสมองนะไม่ใช่เข้าหูนะ ก็เข้าใจนแต่ละคานะหลงไหลหลงแล้วไหลไปไหลจริงๆฟุ้งโลซ่านไปฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุงแล้วก็ซ่านไ ป, นไปท่างตาหูจมูกลิ้นแก่ใจเมื่อสับแต่ละตัวสะท้อนความรู้สึกภายในมันสะท้อนอย่างหนึ่งนะบรรพบุพรุษ ท, ที่บรรญัติสัพนี่นะเก่งในเรื่องการดูจิตมากเลยประณีต ศัพจัลคำแต่ละค ำ, ะคำใจดํารู้จักใจดํำไหย ม, มันดํำไหม <laughs> มันดําจริงๆนะอใจดีใจร้ายอแต่ละตัวแต่ละตัวนะโอ้มัน ม, นมันเนาะนสะท้อนเลยว่าคนโบราณเนี่ยดูจิตเก่ ง, งจิตใจเป็นยังไงรู้ได้แยกได้ละเอียดมากเลยนะคนไทยเรามีศัพท์เกี่ยวกับจิตใจตั้งสองสามรคำนะซึ่งมีมากประเทศอื่นจะมากอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าไม่รู้ศัพท์ของเขา แต่ว่าอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยพวกฝรั่งบอกโกรธมันก็มีโกรธเท่านั้นแหละมันไม่มีภาษามากเท่าคนไทยนะคนไทยโกรธเกลียดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวนตรนี่นี่ตระกูลโกรธทั้งนั้นเลยมันมีดีกรีที่ไม่เหมือนกันเซ็งก็โกรธนะเซ็งเอียนก็โกรธนะเบื่อก็โกรธนะนายก็โกรธนะเนี่ยแต่ละตัวมีดีกรีนะเนี่ยสะท้อนเลยว่าคนเก่งจริงๆ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 พอจิตถอยออกจากรูปชามีร่างกายเนี่ยตรงนี้จะแยกขันได้เลยมันจะเห็นว่ากายกับจิตเนี่ยคนละกันนะแล้วมันไม่รวมกันอีกแล้วชาติเนี้ชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่นะชาติหน้าไปหลงผิดใหม่ในชาติเนี้ยใจที่เคยเข้าไปถึงนอรูปแล้วมันรู้ว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันมันรู้อย่างซึ้งเลยนะงั้นถ้าเราเข้าฌานได้นะถ้าถึงฌานที่สองได้ตัวรู้ถ้าถึงฌานที่ห้าหเดแปดนี่ยไม่มีร่างกายแล้วถอยออกมาเนี่ยจะแยกขันได้เลย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 ยิ่งเข้าใกล้ครูบาอาจารย์นะมันเดินเดินเนตะกระโโนอท่านจะเด็ดเลยก็มีนะเดินสะดุดท่านก็มีนะมันไม่ดีไม่งามนี่เรากลัวกลัวบาปนะยิ่งเข้าใกล้ครูบาอาจารย์นะคอยระวังสํารวมนะครูบาอาจารย์ก็เออไอคนนี้ดีไหมฝึกสตินะฝึกสมาธิใจตั้งมั่นอยู่กับตัวเองแล้วต่อไปก็ฝึกเจริญปัญญา เนี่ยต้องสะสมศรัทธาก็ต้องสะสมนะวิริยะก็ต้องพัฒนาสติก็ต้องซ้อมซ้อมดูสภาวะสมาธิก็ต้องซ้อมไม่ซ้อมก็เสื่อมอย่าว่าแต่พวกเราเลยพระอรหันตนะ์พระอรหันต์ที่บอกว่าสมาธิไม่เสื่อมสมาธิบางอย่างสมาธิบางอย่างนะถ้าไม่ซ้อมก็ไม่ชํานานนะสมาธิที่ไม่เสื่อมเนะี่ยคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอย่าง ไม่ต้องรักษาเลยตั้งแต่ท่านาคานะไม่ต้องรักษาจิตแล้วจิตมันไม่หลงไปในกามเพราะนั้กามมาคุณอารมณ์เนี่ยมายั่วให้จิตสซ่านไปไม่ได้จิตมนมีสมาธิอัตโนมัติอยู่แต่เรื่องเข้าฌานต้องซ้อมปุถุชนบางคนเข้าฌานเก่งกว่าพระดิยาพระริยาบุคคลนะบางองค์ได้ปฐมฌานเท่านั้นไม่ได้ฌานที่อสองด้วยซ้ําไปปุถุชนบางคนได้ฌานสี่ได้ฌานที่ห้าหกเจ็ดแปดก็มีไม่ใช่ไม่มี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 สมาธิแบนบนี้ต้องซ้อมไปใช้พวกชามสมาบัติพวกอะไรพวกนี้ของเล่นต่างๆอุปรกรณ์ในการสอนอะไรพวกนี้ถ้าเราต้องซ้อมถ้าอ่อนซ้อมมันก็ไม่คล่องนะแต่พวกเราอย่าไปเล่นนะเนีย่ยไปเล่นถ้าพวกเราไปเล่นซะก่อนเนี่ยเราจะไม่ได้ของจริงไปได้ของเล่นแทนนะอ ย, ยไปรู้จิตคนอื่นรู้จิตคนอื่นไม่ยากนะรู้จิตตัวเองยากกว่าฉะนั้นอย่าเพิ่งไปรู้จิตคนอื่นรู้จิตตัวเองก่อนให้ชํานาญก่อน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 ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำพวกเราอะนิวรณ์มันชอบครอบนั่งสมาธิปุ๊บนิวรณ์ก็ครอบนะนั่งอยู่เฉยๆตาแป๋วแปวยังไม่ครอบนะพอเริ่มนั่งสมาธิแป๊บเดียวจะ เ, เริ่มอย่างนี้ว่าพอลืมตาขึ้นมาก็เนี่ยบอกแม้สงบเต็มที่เลยต้องฝึกนะค่อยๆฝึกไป ส่วนเรื่องเจริญปัญญาหลวงพ่อสอนมาเยอะแล้วนะเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามสิ่งที่เรียกความจริงก็คือไตรลักษณ์ก็ตนะ้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามถ้าเห็นรูปเห็นนามเป็นสมถะนะจำไว้นะเห็นท้องฟองเห็นท้องยุบสมถะมือขยับหรือมือหยุดนิ่งเห็นมือเห็นอะไนี้สมถนะดูจิตจิตว่างๆนิ่งๆอยู่สมถะ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 สะุดหูเลยนะฟังเราภาวนาเนี่ยฟังธรรมะขั้นภาวนานีมันสะใจอ่ะโอ้คุบาอาจารย์ไม่ธรรมดานะมันแล้วคนย่าลืมงั้นต้องแยกธาตุแยกขันให้เป็นทํำงานจะแยกธาตุแยกขันได้อยากแยกธาตุแยกขันแล้วก็แยกรูปนามนั้นแหละเริ่มต้นแยกรูปแยกนามแล้วรูปเนี่ยถ้าแยกละเอียดออกไปก็เป็นธาตุสี่นามแยกออกไปได้อีกนะเป็นสี่ขัน เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกออกไปแยกเท่าที่แยกได้ไม่ต้องแยกได้ทั้งหมดถ้าแยกได้ละเอียดจิบลงไปเลยนะจะแยกได้71ดตัวมากไปเยอะไปโกรธก็ตัวหนึ่งโลภก็ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยหลงก็ตัวหนึ่งฟุ้งซ่านก็ตัวหนึง ห, นหูก็ตัวหนึ่งศรัทธาวิริยะสติสมัน ธ, ธ, ธ, ธิปัญญาอะไรเนี้ยเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวคนละอันกันเป็นสภาวธรรมล้วนๆเลยสภาวธรรมทั้งหมดมีเจ็ดสบสตัว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 เวลาความโลภโลภะขึ้นมาคุมหัวเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าน้า ม, มืดเกิด <g ül> สภาวะที่เรียกว่าหน้า ม, มืดมันมืดจริงๆนะมันมืดจริงๆนะ <g ül> เราเห็นหน้าปุ๊บเลยไอน้นี่กำลังหน้า ม, มืดดูได้มันมืดจริงๆมันมัวสัวไม่ได้เรื่องได้เราหน้ามันไม่ใสเนี่ยมันขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยมันบุดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราขี้โลภเราก็เห็นเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็อยากเดีย๋ยอยากเดี๋ยวอยาก ถ้เห็นมันผุดขึ้นมาเรื่อยๆต่อไปเราก็สังเกตนะไอ้ตัวนี้ไม่ใช่จิตหรอกความโลภที่ผุดความอยากที่ผุดนะเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้ามันไม่ใช่จิตหรอกเนี่ยค่อยๆหัดอย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็แยกแยกรูปแยกนามได้แยกธาตุแยกขันได้มันเห็นว่าความโลภกับจิตเป็นคนละอันกันนี่คือแยกสภาวะออกจากกันได้นะหรือคนไหนขี้โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ขัดใจนะเดี๋ยวก็โกรธสุดฉีดมีหลายดีกรีใช่ไหมโกรธ เดี๋ยโกรธนิดหน่อยขัดใจเล็กๆนั่น ห, หรือเอียนเจอหน้าเพื่อนบางคนรู้สึกเอียนมีไหมอันนั้นโทสะเหมือนกันนะเอโทสะเหมือนกันใครยังมีบ้างเจอหน้าคนนี้แล้วเอียนมากเลยเบือ่อมีไหมถ้าไม่มีก็ใกล้อนาคาแล้วล่ะเ <laughs> นี่ยโทสะนะถ้าเราขี้โกรธเราก็เห็นนะความโกรธฟุดขึ้นมาเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวฟุดขึ้นมาเดี๋ยวหายไปแล้วค่อยๆดูไป เราเห็นว่าความโกรธนั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเพราะฉะนั้นความโกรธกับจิตเนี่ยคนละอันกันนี่ค่อยดูไปคือความสุขมีความสุขเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นในใจเดี๋ยวมันหายไปได้้ความสุขกับใจเป็นโคนละนนะใจเป็นคนดูความสุขมันมาแล้วมันก็ไปใจเป็นคนดูเนี่ยก็จะแยกได้ความทุกข์เกิดขึ้นก็ดูความทุกข์เกิดในใจเห็นความทุกข์มาแล้วก็ไปความทุกข์กับใจเป็นโคนละอนกัน ความทุกเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าหรือความสุขในร่างกายมีความสุขในร่ง า, ารงกายเกิดขึ้นเาราก็รู้เห็นอีกนะความสุขนี้มันไม่ใช่ร่างกายนะความสุขมันไม่ใช่ร่างกายเรานั่งอยู่ก่อนหรือลมพัดมาเย็นๆอย่างนี้เราก็นั่งอยู่เฉยๆลมโชยมามีความสุขในร่างกายเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นคนไปเห็นคนระับหรือเรานั่งอยู่แล้วเมื่อยอยนะนั่งทีแรกไม่เมื่อยนั่งไปนั่งมาความเมื่อยแทรกเข้ามา เออความเมื่อยกับร่างกายของคนละอันกันร่างกายมันตั้งอยู่แล้วก็ความเมื่อยมันมาทีหลังนะั้นคนละอันกันจะรู้สึกอย่างนีนะ้แล้วก็มันก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าให้หัดดูอย่างนี้แหละหรือบางคนเขาดูกายแยกกายตรงๆเลยนะก็เห็นร่างกายมันนั่งอยู่เอายิ้มยิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มยิ้มหวานหวานหน่อยอหนุ่มผมเขียวนี้ยิ้มหวานหวานสิยิ้ ม, มเออ แล้วพยักหน้าเห็นไหมเร่างกายมันยิ้มร่างกายมันพยักหน้าเนี่ยใจเราเป็นคนดูร่างกายกับใจมันโคโรนกันหัดไปเรื่อย ๆ, ๆนะ่ะถ้าจะขยับมือชอบขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ดีเหมือนกันนะยุงมาแล้วก็อย่างเงี้ยเปลี่ยนมุมหน่อยหนึ่งได้เอขยับเราก็เห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะเหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดู เอาต่อไปนี้สังเกตตัวเองซิหายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกสบายสบายรู้สึกสบายสบายรู้ไห ม, ไมร่างกายหายใจออกรู้ไห ม, ไมร่างกายหายใจเข้านี่แหละแค่รู้แบบนี้แหละ <_ pt. S 1> ะเห็นไหมร่างกายกับจิตมันคนละอันกันจิตมันเป็นคนรู้ร่างกายมันถูกจิตรู้ค่อยหัดนะหัดค่อยค่อยแยกแยกแยกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ชานาญขึ้นมาแต่บางคนนะพอจิตมันมีสมาธิตั้งมั่นปุ๊บนะขันแยกเลย ไอ้พวกนี้พวกทามาแต่ชาติบางก่อนกเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติตอนก่อ น, อนถ้าเราไม่แยกเราก็ซ้อมแยกฝึกแยกไปด้วยร่างกายทำไงดียิ้มสียิ้มดีกว่าหน้ามึงยิ้มจะเห็นร่างกายมันยิ้มเห็นด้วยความรู้สึกมันจะรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอันหนึ่งนะจิตใจที่เป็นคนรู้เป็นอีกอันหนึ่ง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 ธาตุนี่เพิ่มขึ้นมาเพราะอะไรจิตมันสั่ง mm. ไหมโอ้จิตมันไปสั่งธาตุเขาได้นะ mm. แล้วจิตก็มาจากธาตุเองเนี่ยดูเวียนยุ่งละอ น, นี้ยุ่งยากเกินไปนี่แค่ยกตัวอย่างให้ดูนะว่ายากนะยาก mm. จเจฉลนเรื่องธาตุจริงๆยากนะไม่ทรงชานดูไม่ออกอ่ะ mm. มั่วเฮ้คิดเอางั้นเราก็ทําเท่าที่เราทําได้ละเอายิ้มหวาน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 ถ้าหัวกระดิกคูมันก็ต้องกระดิกด้วยแหละเพราะมันอยู่ติดกันเนี่ยส่วนเราสายหน้าเนี่ยเราใส่หน้าเราเห็นร่างกายมันใส่เรารู้สึกเข้าอีกสเต็ปหนึ่งนะ้ตัวที่เคลื่นไหวเนี่ยมันไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะค่อยๆรู้สึกไปค่อยๆหัดรู้สึกไปเนี่ยสําหรับพวกที่แยกยากนะค่อยแยกแยกแยกพอแยกได้แล้วก็ดูไป แต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้เกิดลอยๆเช่นความโกรธที่เราเห็นความโกรธกับจิตกันคนระอันเนี่ยความโกรธไม่ได้เกิดลอยอยนะความโกรธต้องมีเหตุถึงจะเกิดเหตุของความโกรธมีอะไรบ้างแรกเลยต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจถ้ากระทบอารมณ์ที่พอใจไม่โกรธนะมันมีหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนานแล้วนะจำไม่ลื้ถูบป่ สูสีไทเฮาหรือใครก็นม่รู้จำไม่ได้นะเป็นพวกผู้ยิ่งใหญ่ของจีนเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยอาฆาตใครเลยโกรธทีไรมันตายหมดเลยไม่เคยอาฆาตเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจนะมันไม่ได้อาฆาตเลยแต่ถ้าคอยตรึกอยู่ไอ้คนนี้ร้ายไอ้คนนี้ร้ายเงี้ยนะมีต้นเหตุน่ะมันก็จะอาฆาตนี่มันไม่ได้อาฆาตเพรนี้มันตายไปแล้ว นะสมน้ําหน้ามันด้วยสาไม่ได้อักคับเนะชียโกรธก็ต้องมีเหตุคือต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจนะกระทบอารมณ์ที่เป็นเรียกอนิถารมกระทบแล้วนะต้องตรึกในทางพยาบาทวิตกตรึกในทางไม่ดีถ้ากระทบอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจแล้วเราตรึกไปในทางเมตตานะโทสะมันจะไม่เกิดนะนะั้นมันมีหลายแฟกเตอร์นะไม่ใช่อยู่ๆโทสะเกิดได้หรอกหรือตามองเห็นรูปเนะี้ย ทำไมตาจะเห็นรูปได้รูปมาปรากฏทางตาได้อแรกต้องมีรูปใช่ไหมที่สองต้องมีจักรคูประสาทประสาทต า, ศามีตาอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีตาที่พร้อมด้วยจักรคูประสาทรับรับรู้รูปได้รับรู้แสงได้แล้วมีแสงสว่างมากพอมีตามีรูปแต่มืดตื้อเลยก็ไม่รับรูปไม่เห็นรูปนั้นนะก็มีหลายองค์ประกอบ มีตามีรูปมีแสงสว่างพอดีนะมีจิตเกิดขึ้นมีความสนใจจะรู้สึกเคยไหมคนเดินผ่านหน้าเราไม่รู้ว่าใครเดินเพราะอะไรจิตมันไม่เข้าไปจับมันไม่รู้สึกแม้แค่ตาเห็นรูปอย่างเดียวนะให้รูปที่ปรากฏขึ้นมาอันเดียวเนี่ยองค์ประกอบตั้งเยอะนะเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่มีหรอกนะเกิดลอยๆ อ, ยอะ่ะแต่ไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนี้นะ ถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเราก็เรียนเฉพาะความโกรธกับเหตุของความโกรธเราขี้โลภ ก, ก็ดูความโลภกับเหตุของความโลภเนี่ยดูอย่างนั้นไปไม่ต้องรู้ทุกอย่างถ้ารู้ทุกอย่างเราก็วุว่นวายตายเลยเหนื่อยยากเกินไปเกินจําเป็นนะหารรู้สึกการรู้สึกไปนะต่อไปมันจะเห็นสภาวะทั้งหลายนะมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะหายไปนะแล้วต่อมาปัญญามันแก่กลาก้าขึ้นไปอีกมันจะเห็นมากขึ้นนะ มันจะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะอะไรของที่เคยมีนะั้นมันหายไปแล้วเนะีย่ยบาทีเราส่องกระจกเราเห็นหน้าของเราเร า, เราจาหน้าของเราตอนนี้ได้ไปดูรูปเก่าๆนะรูปเมื่อผีกลายกับหน้าเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันหรอกปีหนึ่งก็ไม่เหมือนกันแล้วล่ะหน้าเราเปลี่ยนทุกวนะันะ่เราไปดูรูปโอ้ร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะ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 ไม่เห็นตัวเดียวกันนี่นะไม่ใช่คนละตัวเห็นในปัจจุบันนี้ไม่ใช่คนละพ่วงเวลานะอย่างเนี้เลาใจยังขึ้นมีปรันสนาจริงๆแล้วอย่าตกใจนะหลวงพ่อแจกแจงรละเอียดไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวมันไม่ยากหรอกเราหัดรู้สึกตัวนะดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานโลภขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้หลงก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้นะรู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนเดินนั่งนอนก็รู้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 ค่อยๆดูไปแล้วพอใจมีสมาธิขึ้นมาใจกับร่างกายที่หายใจเนี่ยเป็นคนล่านกันร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะมันจะเริ่มเดินปัญญาไม่ยากหรอกเรื่องพ่อพูดละเอียดเกินไปเพราะเราก็จะตกใจแต่พูดให้ฟังไว้นะว่าธรรมะของ พ, พระพุทธเจ้าประณีตมากนะไม่ใช่เรื่องมั่วๆที่จะคิดเอาเองได้นะแล้วคำอธิบายธรรมนะนมีอยู่แล้วอย่าอธิบายเอง อ ธ, ธิบายพระใจปีโดก็คืออรรัตถกาถาต้องรักษาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอาธิบายมันจะมั่วอตีเห็นตายแล้วก็จะทําลายสัตธรรมไปด้วยนะธรรมะแทๆ้ๆเพี้ยนเพียนเ พ, พ, พียนไปเพราะต่างคนต่างตีความนะใช้ไม่ได้หรอกแต่ว่าที่เล่าให้ฟังนี้เพื่อให้เห็นว่าธรรมะจริงๆมีอยู่นะถ้ามีเวลาแล้วภาวนาดได้เข้าท่าแล้วต้องศึกษาได้ก็ดีปริยัตนะิช่วยกันรักษาไว้ แต่ว่าขั้นแรกนี่เอาตัวรอดก่อนบางทีเรียนปริญญาต้องเรียนหลายปีนะยังแค่เรียนอภิธรรมเนี่ยเปีครึ่งหลักสูตรนะสมัยก่อนอนะเดี๋ยวนี้กี่ปีไม่รู้นานเรียนกันนานนะเรียนนักธรรมก็ต้อง3ามปีเรียนอะไรต่ออะไรเยอ ะ, ย ะ, ยะแยะเราค่อยๆเรียนเราเรียนภาวนาก่อนรู้หลักพื้นฐานหลักพื้นฐานเนี่ยหาอ่านเอาจากหนังสือของอาจารย์สุชิฟได้พระไตรปิฎกสําหรับประชาชน เบสิกอย่างนี้ควรรู้นะไม่งั้นจะถูกเขาต้มเขาบอกว่านี่ผ่านเป็นอัตราก็เชื่อเขาอะไรอย่างนี้นะมันเหลวไหลเกินไปงั้นเบสิกเนี่ยต้องมีบ้างแล้วก็หัดพาวนาให้จริงจังภาวนาจนกระทั่งจิตใจเรารู้สึกว่าเอาตัวรอดได้แล้วนะมีโอกาสเขาเรียนปริยัตเรียนบ้างอย่างน้อยก็ส่งจำพระธรรมวินัยไว้บอกกันต่อๆมีมาตรฐานไว้เมืองไทยเรายังบุญนะเรามีอย่างเจ้าคุณประยุทธ์อยู่ ท่านเป็นเสาหลักจริงๆเลยนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยไม่ถือว่ามีความรู้เยอะนะมีความรู้เล็กกะติดเดียวรู้แต่ ว, ว่าทำไงจะเอาตัวรอดรู้แค่นั้นเองนะไม่ได้รอบรู้ทั่วถึงพระไตรปิดกนะงั้นถึงเวลาพวกเราต้องเรียนนะต้องรักษาไว้พอสมควรแล้วนะนะ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 รู้นิโรธนิโรดก็คือความจริงรู้มากคมร ก, ก็คือความจริงนะรู้สิ่งเหล่านี้นะมันจะค่อยสะสมของเราไปลำดับลาดับไปความรู้ถูกความเข้าใจถูกนั่นแหละคือเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานะถ้ารู้รู้ไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกก็ไม่ใช่พุทธศาสนานะถ้าคนถามเรานะอะไรคือพระพุทธศาสนาต้องตอบได้นะว่าสัมมาทิฏฐนะิคือตัวพระพุทธศาสนานะอ่ะ ส่งกันบ้านหรือจะกลับบ้านเลยก็เอาถ้า <c oughs> รอยากกลับก็กลับนะบางคนไม่ชอบฟังส่งกันบ้านกลัวออกลำบากรถติดไม่รู้หรอกว่าส่งกันบ้านมีประโยชน์มากแต่ว่าไปฟังซีดีเอาก็ได้อย่างเวลาเราพอนาติดขัดนะเปิดซีดีหลวงพ่อฟังคนอื่นเขาส่งกันบ้านเดี๋ยวก็ได้คาตอบนะเพราะเวลาผิดก็ผิดเหมือนๆกัน กราบน้ำสกการพ ร, อรพอะอาจารย์หลวงพ่อค่ะอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทพหลวงปูน่นนทูทกนี้โยมโยมเคยมาเพิ่งมาครั้งแรกค่ะโยมใช้ภาวนาพุโทโธนะคะเออพุโทโธแหละดีค่ะรู้สึกว่ามีความสุขการพุโทโธค่ะโยมตรงนี้ทำตรงนี้ต่อไปพุโทโธแล้วจิตมีความสุขให้รู้ว่ามีความสุขะนะพุโทโธแล้ววันนี้จิตไม่สุขเลยก็รู้ว่าไม่สุข พุทโธแล้วจิตสงบรู้ว่าสงบพุทโธแล้วจิตฟุงสร้านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านอย่างนี้หนะ้าถีอเรียกว่าพุทโธเป็นครู้ค่ะได้ทาตัวนี้นะไม่งั้นจะเป็นพุทโธนกแก้วพุทโธนกคุนทองไว้นิ่งๆอย่าให้มันติดนิ่งติดเฉยนะคพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตอันนี้ไม่ใช่หลงพ่อผู้เองนะคุณแม่จันดีเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังถ้าท่านพุทโธแล้วรู้ทันจิตจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ถใจก็เด่นดวง แล้แยกขันขันหน้ามันก็แยกได้นะเขาเข้าท่าอยู่ไม่ทำต่อไปมีปัญหาอะไรตอนนี้ยั ง, ย, งยังไม่ยังแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะคะรู้สึกไหมว่ากายกับใจเป็นคนละานกันรู้ค่ะนั่นแหละแยกขันละ่ละโออกายกับใจเป็นคนละานกันทำไมหลวงพ่อรู้คนที่แยกขันแล้วหน้าตาไม่เหมือนคนธรรมดานะ หน้าตาผิดมนุษย์มน า, ห น, าหน้าตามันไม่เหมือนคนปกติอะดูง่ายนั่งรถไปเห็นนี่รู้เลยว่าเนี่ยแอบไปฟังซีดีหลวงพ่อมา <c oughs> รู้สึกไหมหน้าตาเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนรู้สึกไหมค่ะรู้ค่ะเออนั่นแหละ <c oughs> ขันมันแยกแล้วหน้าตามันถึเป็นอย่างนี้มันจะพ่องใสนะพ่องใสแต่ไม่ใช่ใสแบบพวกติดสมถะใสติดสมถะมันใสใ ส, ใ ส, ใสแบบกระเบื้องเคลือบ ใสแบบกับเบื้องเครือบนะมันไม่ใส่เท่าไหร่หรอกใส่แบบมีเชื้อมีเยื่อมีใยมียางเหนียวเหนียวก่ออยู่ข้างในไม่ได้เรื่องเขาเราใส่แล้วโปร่ปงรู้สึกไหมใช่โปร่งใจมันนุ่มนวลใจมันเบาใจมันคล่องแคล่วว่องไวไหมไม่ได้ใสแล้วก็ซื้อบื้อยู่นั่นแหละใจมันถูกแล้วถ้ามันใจถูกแล้วต่อไปก็ดูขันมันทํางานไป จนะหเห็นเลยร่างกายไม่ใช่เราหรอกดูไปเรื่อยๆร่างกายนี้เป็นก้อนทุกเวลาร่างกายเป็นทุกข์ขึ้นมาใจอย่าไปทุกข์กับมันก็ให้เห็นในกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทําถูกแล้วทําดีกลับนัสันธ์การค่ะหลวงพ่อหนูส่งการบ้านหลวงพ่อเป็นครั้งแรกค่ะค่ะหนูก็ปฏิบัติโดยการร่างกายหายใจอะค่ะอะไรนะ ร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอค่ะค่ะก็ช่วงแรกอะคะ่ะเมื่อ2ปีที่แล้วะคะ่ะหนูก็ปฏิบัติในดู YouTube และก็ซดีของหลวงพ่อนะคะคือตอนแรกที่ปฏิบัติอะคะ่ะก็นั่งปฏิบัติประมาณถ้าเป็นสมาะค่ะก็มามาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เวลาทำงานไปก็ร่างกายเคลื่อนไหวจิตก็เป็นคนดูอะคะ่ะ mm hmm. ตอนเวลาโกรธนะคะก็จะเห็นชัดมากเมื่อปีแรกๆนะคะ mm hmm. แต่พอช่วงปีหลังๆเนี่ยคะ่ะ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 ไม่รู้ว่าตัวเองแบบว่ามาถูกทางหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ก็ช่างเธอดูไปค่ะดูไ ป, ดไปเรื่อยๆนะหนัะวภาวนาใช้ได้ค่ะมันถูกแล้วละค่ะสติเราเร็วขึ้นนะโทรศัพท์ก็สั้นลงค่นะตอนนี้จิตปกติไหมปกติค่ะก็ตอนตอนแรกที่เจอหลง ข, ขนาดตึงนขนาดเนี้ย จิตเหมือนตอนอยู่ธรรมดาไหมไม่ค่ะเออจะอย่างนี้ผ่านนะใช่ได้ถ้าเหมือนอย่างนี้ต้องแก้กันนะล่ล ะ, ะใช่ได้แล้วละ่ะไปฝึกนะค่ะดูไปขันไม่ใช่ตัวเรารูปนามแต่ละอันไม่ใช่ตัวเราดูไปได้ค่ะดูอนัตตาไว้ค่ะเพราะเราเป็นพวกปัญญากล้าดูอนัตตาตัวนิจจังเอาไม่ลงอ่ะค่ะขอบคุณค่ะ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 มีเหตุไหมก็ เ, เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้นะดูอยใหญ่แล้วก้าวหน้าไปอีกก็เลยต่อเนื่องมาถึงอีกคําถามนึงพอดีครับมันเป็นเรื่องของใจรักครับคื อ, อที่ที่ไปปฏิบัติจะเป็นการยกมือแล้วก็เดินจงกรมอยู่ทั้งวนันแต่ว่าใช้เป็นแค่เครื่องเครื่องรู้จังหวะ น, นะครับ เ, เรื่องของใจรักเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบตัติเต็มที่อย่างเงี้ยมันมันพอเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นบ้างนิดหน่อย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 ถ้าเพ่งอยู่เนี่ยมันจะเห็นตัวอื่นแสดงใจลักนะแต่จิตมันจะเที่ยงมันจะนิ่งนิ่งอยู่ถ้าเหลือตัวหนึ่งนิ่งอยู่ใช้ไม่ได้นะครับอ่าหลวงพ่อมันนิ่งแต่ว่ามันก็ยังเห็นรอบๆข้างที่มันเคลื่อนไหวอะค่ะแต่ตัวมันคงที่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เสียได้ธรรมะจริงๆเนี่ยมันเห็นขันทั้งห้านะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นสี่ขันแล้วขันหนึ่งเที่ยงเป็นสุขเป็นอนัตตานะ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 ค ร, er รครับแล้วปรักขึ้นมายังไงครับสังเกตไหมถ้า <stress> ม <ires> ันยังเหลือตัวหนึ่งคงที่อยู่นะไม่ถูกหรอกต้างปล่อยอย่าไปบังคับตัวนี้ให้นิ่งถ้าบังคับตัวหนึ่งนิ่งอยู่เราเห็นใจรักษณ์ไม่ใช่เห็นจริงนึกถึงที่พระพุทธเจ้าสอนปัญญาบักขีเห็นไิสูจน์ทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งที่เป็นทุกข์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 ครับมันเป็นของมันไปเองตรงนี้แหละที่ผิดไปปรับตัวนี้ซะนะรู้สึกไหมจิตตื่นขึ้นมาแล้วนี่แหละคือภาวะแห่งความตื่นที่แท้จริงลหละไอ้ตะ ก, กี้ไม่ใช่เลยนะเพราะงั้นที่ขยับนั่นอนะ่ะไม่ใช่นะเพรับภาวะจิตมันไม่ถูกถ้าภาวะอย่างนี้ยจิตถึงจะถูกรู้สึกไหมว่าไม่เหมือนกันรู้ครับเออไปเรียนซะนะขอบคุณครับฟังว่าไปเข้าคอร์สมาแล้วฟังแล้วจะเหนื่อยแทนนะ ส่วนมากจะไปทำผิดมานมั ส, ส ก, การค่ะหลวงพออ่อก็จะเรียนถามเรื่องโทสะค่ะเคยเคยมีจุดหนึ่งที่ปั บ, บหนึ่งน ะ, ะเอาอีกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมไปรวบมันเข้ามาไม่เอาลืมเรื่องปฏิบัติไปะจะขยับอะไรก็ขยับแต่ว่าไม่ไปรวบจิตเข้ามาก่อน ขยับด้วยจิตธรรมดายิ้มก่อนยิ้มหวานก่อนเนี่ยใช้ใจอย่างตรงเนี้ยไม่รู้มันธรรมดาใจอย่างตรงเนี้ยเปลี่ยนแปลงได้นะถ้ารวบเข้ามาก่อนเป็นจะใจเที่ยงอา้าว่ามาโทสะโทสะดูง่ายไม่ต้องกลัวค่ะก็บางจุดก็คือสมัยมีอยู่บางช่วงอะค่ะคือเอาตรงๆกับคุณแม่เนี่ยดูจนถึงจุดที่ว่ามันหายไปเลยคือจะไม่ตอนนี้จะแบบคือแบบ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 ไปไปไปสงบไปเห็นแสงสีไปสบายแล้วก็เออสบายดีไม่เจ็บก็เลยไปอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นสมถะค่ะก็เวลาพอมานั่งทําหลังๆนี้ก็แบบมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จิตมันจะลงเหลวเป็นสมถะก็เลยเลิกทาก็เออมันไม่ใช่มันไปไม่ถึงในยเลิกทำพอเลิกทําปุ๊บไปที่ทํางานคือเหมือนมันไม่มีกําลังค่ะสมถะต้องทําสมถะก็ต้องทําทนะไม่เลิกนะของดีไปเลิกทําไมแค่ไหนอย่าไปติดมันเท่านั้นเอง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 มีความสุขเกิดขึ้นรู้ว่ามีความสุขจิตพอใจรู้ว่าพอใจจิตกังวลว่าเดี๋ยวมันจะหายรู้ว่ากังวลเนี่ยดูอย่างนี้เลยนะ <c oughs> อย่าไปคิดล่วงหน้าแล้วก็ตัดมันไปหล <c oughs> วงพ่อก็เคยเป็นสมัยหัดภาวนาใหม่ๆนะ <c oughs> สภาวะนี้ขึ้นมาไม่เที่ยงดับอันนี่ก็ไม่เที่ยงดับดับดับปุ๊หลุดพลวออกมาอยู่ข้างนอกนี้เลยอ้าวแล้วเดี๋ยวภาวนาไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรให้ภาวนาเลยไม่กลายเป็นอย่างนั้นนะปัญญามันล้ําไป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 ซีดีรับเนี้ใครฟังนุ่งเวียนหัวมากเลยหลวงพ่อตรวจกันด้านทีละสองคนอา้าวเพามว่ า, ากลับนมัสศการหลวงพ่อครับ อ, อครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูความเป็นกลางนะครับว่าเป็นกลางได้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์บางช่วงมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกลางบางช่วงก็ ก, ก็ก็ไม่ค่อยเป็นกลางเท่าไหร่ยังรู้อย่างที่เป็นไม่บ้ามันหรอก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 มันทั่วตัวเลยครับก็มีกําลังดูบ้างดูไม่ได้บ้างกันดูไม่ได้รู้ว่าดูไม่ได้ น, นะ<อ>ดูแล้วนะอ๋อครับเช่นมั่วดูไม่รู้เรื่องรู้ว่ากําลังไม่รู้เรื่องนี่รู้เรื่องแล้วครับนอ๋อครับผมบ ค, ครับไอ ห, หนุ่มเสื้อแดงผมเขียวเนี่ยทําไมไปนั่งบังคับมันเหออย่างนี้เหนื่อยตายเลยนะอา่าวไป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 ทำงี้จิตจะสงบทำงี้จิตจะตั้งมั่นทำงี้แยกขันได้ดีแต่ละคนมีทางของตัวเองนะมันความถนัดไม่เหมือนกันถ้าเราไปเรียนแบบกันใจมันจะผิด ธ, ธรรมชาติไปรับนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะ หยู่เริ่มต้นภาวนาด้วยการพุโทโธค่ะพุโทโธก็พูดโธไปเรื่อยๆแล้วมันก็มันก็พ อ, พอมันสงบหนูก็เริ่มพอมันสงบนิ่งๆหนูก็พยายามมีสติรู้กายรู้ใจอพอรู้กายรู้ใจ พอรู้กายรู้ใจเนี่ยกายดูแล้วไม่ค่อยชอบดูกายก็ดูใจที่มันพอรับางทีแป๊บเดียวใจมันก็เคลื่อนไปอาการรู้ว่ใจเคลื่อนนิ่งพอสักพักเดียวหลวงพ่อมันมันชอบนิ่งนิ่งแล้วมันก็จะมืดมืดเราบอกอุ้ยเราเรารู้แล้วมันนิ่งมืดเราก็สะบัดหน้ามั่หายใจแรงแรงมั่งแล้วมันก็แล้วมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นมันก็จะแบบพอรับบางทีพอรันั่งก็จะสว่างขึ้นมาแล้วก็จะอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆให้รู้ทันจิตไปนะนั่งไปแล้วสว่างขึ้นมาจิตชอบรู้ว่าชอบ นั่งไปล้มืดเนี่ยจิตกังวลแล้วจิตไม่ชอบรู้ไม่ชอบไม่สนใจที่มืดหรือสว่างให้รู้ทันความรู้สึกของจิตพอมือดมาแล้วใจไม่ชอบแล้วรู้ไม่ชอบรู้เข้าไปตรงนี้เลยนะไม่ต้องไปดูที่มืดที่สว่างหรอกให้รู้ทันจิตไหมบางครั้งพลธรรมอย่างนี้ไปบา ง, บางครั้งก็สว่างดีพอใจสบายสว่างดีเงั้นเราลองลองพิจารณาเลยก็รู <c oughs> ้ว่าเนี่ยตอนนี้จิตกําลังเป็นอย่างนี้ตัวจิตที่รู้นี่ก็ เดี๋ยวก็ไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็แสดง ว, ว่าจิตก็มีเที่ยงเดี๋ยวมันก็เกิดก็ดับแต่พอเรทาทำไปสักพักมันมันรู้สึกเหนื่อยมากพอก็กลับมาหายใจมาดูหายใจใช่ได้อย่างนั้นแหละมันเดินปัญญาไฟพอเหนื่อยก็ทําสมถะถูกแล้วใช่ทิดว่าเอ๊ะเราใช้เราเห็นหรือเราคิดนะ่ะพอที่ที่ติดอยู่ในใจว่าไอ้ที่เรารู้เนี่ยแล้วเราเดินเริมปัญญาได้รู้เลยว่ากําลังสงสัยอยู่รู้ทานจิตเลยว่าจิตกําลังสงสัยคอยรู้ทันจิตไว้แล้วไม่พลาดหรอกค่ะ มัวแล้วจิตไม่ชอบหรือว่าไม่ชอบสงสัยขึ้นมานะไม่ถูกไม่ถูกรู้ว่ากําลังสงสัยเราก็เลยคิดว่าอย่างนี้เราจะเดินปัญญาได้ไหมเนี่ยมันตกลงเราเห็นหรือเราคิดอยู่แล้วมันก็เดินอยู่แล้วนะไม่แคร์มันไม่แยกอย่างนี้แล้วขันมันก็แยกก็เป็นปัญญาขั้นต้นแล้วก็เห็นไหมความรู้สึกทลายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นแหละเดินปัญญาละ แ้วเดินไปช่วงหนึ่งมันเหนื่อยก็กลับมาทำสมถะก็ถูกแล้วเดี๋ยวมันก็ไปที่จิตเดี๋ยวมันก็ไปที่เวทนานะั่นหลวงพ่อมันดีมาสลับไปสลับมาอถ้าสลับมากก็รู้ว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่นะรู้ทันจิตไหมไม่ผิดหรอกอักต่อไปกราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมขอเข้ามาพระพูดพระธรรมพระสรงและหลวงพ่ อ, อด้วยเจ้าค่ะ อ, อรับทราบนะเจ้ะค่ะคือ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 เรามีสติรู้ทันไปได้เราได้บุญใหญ่นี่เป็นกรรมใหญ่กว่าไม่ต้องกลัวโยมก็สังเกตจิตว่าบางครั้งถ้าจิตเขาเหมือนทุรนทุนไรายไม่ไหวโยมก็จะหยุดฟังสักพักหนึ่งแล้วโยมก็กลับมาฟังใหม่มค่ะแล้วก็โยมก็มีความรู้สึกว่าจิตบางครั้งเขาก็รับได้บางครั้งเขาก็เห็นเริ่มผุดขึ้นมาแล้วเขาก็ หายไปอะไรอเงี้ยเจ้าค่ะอย่างนั้นแหละฟังเป็นแล้วล่ะที่มาฟังซีดีหลวงพ่อนะไม่ใช่ฟังไปเรื่อยๆนะฟังแล้วก็เห็นสภาวะไปอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วอย่างนั้นเราถึงจะพัฒนานะไม่ใช่ฟังให้เกิดความรู้ความรู้ไม่ได้เกิดจากการฟังฟังเพื่อจะได้มารู้เท่าทันสภาวะของเราเห็นใจรักขึ้นมาแล้มันแสดงใจรักให้ดูแล้วนั่นแหละเรียกว่าเราฟังถูกแล้ว เจ้าค่ะแต่ว่าเกิดบ่อยเลยเกิดเจ้าไม่เป็นไรเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเจ้าค่ะเห็นไหมจิตมันฟุ้งซ่านได้ดูออกไหมดีดีกว่าอยู่เฉยๆโ ย, ยมเดินจงกรมก็มีเพ่งบ้างนะเจ้าค่ะไม่เป็นไรเพ่งก็รู้ว่าเพ่งนะแต่ถ้าเพ่งจนอึดอัดเราก็ทำใจให้สบายให้ผ่อนคลายซะบ้างตอนก่อนนี้จิตโยม ยมคิดว่าจิตยมนิ่งนะเจ้าค่ะแต่ว่าเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะ อ, ะอยู่ดีๆยมดูทีวีอยู่ยมเห็นว่าจิตมันใสขึ้นมาตรงกลางอกแมเจ้าค่ะโอ้ยมันดูเป็นแล้วอย่างนี้เนื้อที่หลวงพ่อสอนถ้าเป็นแทบตายแล้วเพื่อให้เรารู้ทันนี่แหละอย่างนี้ภาวนาใช้ได้แล้วคือตอนก่อนนี้โยมจะมีความรู้สึกว่าโยมทุกตลอดนะคะ แต่หลังจากที่สองอาทิตย์ที่แล้วที่โยมไปเห็นใสๆตรงนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าจิตของโยมเปลี่ยนขึ้นมาอีกนะคะถูกจิตเราเปลี่ยนไปล้วถูกดีไปทําอีกไปแล้วดูตรงไหนคะไตลาคะเจ้าค่ะดูไตลักตรงไหนเจ้าค่ะไม่เห็นเลยว่ามันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเห็นเจ้าค่ะไม่เห็นเลยว่ามันสะเทือนได้เอง ม, มันทําได้เองก็เห็นอนัตตาเห็นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เรียกเห็นอนิจจัง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 ว่าไงโยมีปัญหาจะถามหลวงพ่อข้อเดียวค่ะเป็นข้อแรกที่หลวงพ่อเทศช่วงแรกเลยค่ะก็เลยหมดปัญหาที่จะถา ม, มสาธุดีจังไปพานาต่อนะสังเกต ด, ดูร่างกายกับใจก็โคนล้านกันดูออกแล้วยัง นะดูได้ก็ดูอย่างนั้นแหละเห็นกายมันก็ทํางานไปใจมันก็ทํางานไปแต่บ า, นะบางครั้งมันก็ยังงงงอยู่ค่ะงงรู้ว่างงเนี่ยงงก็เป็นความรู้สึกเกิดขึ้นกับจิตรู้ว่าตอนนี้กําลังงงคหลงแล้วหลงก็ไม่ว่านะดีกว่าไม่ไม่หลงรู้สึกตัวตลอดเวลาเนี้ยต้องแก้เลยหนะลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ดีที่สุดเลยนมัสการค่ะอดีดีด อ้าต่อไปกราบหลวงพ่อครับอตอนนี้มันมันอยู่ดีมันชอบเข้าผวังเองนะครับมันมันอยู่ดีมันก็วูบทีนี้ก็เลยมันมันพอไปถึงช่วงหนึ่งมันก็จะลงลงผวังลงผวังเป็นเรื่องของสมาธินะถ้าลงไปแล้วเร า, าไม่ขาดสติรู้ตัวตลอดสายเลยอย่างนี้นดีมากเลยได้พักผ่อนนะ จะเข้าจะออกอะไรมีสมาธิแต่ถ้าลงไปวางไปแล้วก็หมดสติไปเลยไม่<บ>ดีปออุ๊บแต่ว่ามันห้ามไม่ได้ถ้าวุบไปก็ให้มันวุบไปให้มันนอนไป<ม>ให้มันได้พักผ่อนพอมันรู้สึกตัวขึ้นมานะก็ดูร่างกายเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายนั่งไปเลยครับนะแล้วก็มันจะเห็นใ้อีกตัวนึงก็จะมีความหงุดหงิดเกิดเกิดเยอะมากเห็นอะไรนะมีความหงุดหงิดนะฮะเออมันมันจะเออดี นั่นแหละมันเกิดได้เองนะเห็นไหมมันญหญุดนงดเองเราไม่ได้เจตนาคนั่นแหละดีเราจิตมันจะไปคว้าลมญหญุ่นงดมาเ อ, อมากอดอะไรเอ อ, <ว>เ อ, อรู้ว่าคว้าอย่างนี้ใช้ได้ครับภาวนาใช้ได้นะภาวนาดีครับสาธุครับเรากันบ้านขอกันบ้านเพิ่มขอกันบ้านเพิ่มเลยครับไปทําอีกนะกาบนิมิสการหลวงพ่อครับเออข้าผมฟังเทปหลวงพ่อมา หลายปีแล้วครับแล้วก็ปฏิบัติด้วยก็มีคําถามเกิดขึ้นมาตลอดเป็นหลายร้อยคําถามนะครับแต่พอตอนนี้มันนึกไม่ออกอะไรเลยนั่นแหละคําถามทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปครับนึกนึกไม่ออกแล้วยมดูรู้สึกไหมว่าทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามานะ่ะมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปหมดอนะไปหมดครับนั่นแหละคือธรรมะแหละนะ น, นึกตอนนี้ก็นึกไม่ออกไม่ออกก็ดีเหลืออยู่คําถามเดียวครับอาจารย์ หลวงพ่อครเหลื อ, อยุคคำถามคือว่าเ อ, อลืมไปแล้วครับอลืมแล้วก็แล้วไปคือคือผมผมชอบดูจิตนะฮะดูความรู้สึกนคิดเ อ, อตัวที่เด่นคือความโกรธความโกรธนะครับทีนี้ความโกรธผมเคยดูดูอยู่เรื่อยแ ล, แล้วก็หัดยิ้มให้ความโกรธ เ, เรายิ้มทีไรมัน ก, หก็หายทุกทีหายทุกทีหลังจากนั้นมาผมผมก็ไม่ขี้เกียจยิ้มให้มันแล้ะผมก็ มันเกิดขึ้นผมก็เฉยๆมันก็หายของมันไปเองใช่มันเกิดได้มันก็ดับได้นะทีนี้ผมจะถามหลวงพ่อว่าการที่เราไปยิ้มหรือเราไปเมตตาให้กับความโปวดอย่างนี้เราไปแทรกแซงมันหรือเปล่าแทรกแซงะนะเป็นการเจริญเมตตานะเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ก็ได้สมถะได้ความสงบในความสุขถ้าว่าเวลามันโกรธรุนแรงสู้ไม่ไหวแล้วนะีก็ เมตตาใส่มันเนีย่ยนั้นถูกแต่ถ้ามันโกรธนิดๆนหน่อยๆก็พาพามันดูดูมันดูมันโกรธไปเ อ, อเคยเคยเมตตาใส่เวลาโกรธแรงๆเมตตาไม่ไหวครับก็เฉยเฉยแล้วจะดีกว่าอยากให้ผิดศีลอยู่แล้วกันภา <c oughs> นาใช้ได้นะคุณนะ่ะรู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนไปเยอะแล้วรู้สึกครับเราเหมือนเรามีชีวิตใหม่ ชีวิตนี้มาจากที่เราขยันภาวนาดูนะกายนี้ก็ส่วนหนึ่งใจนี้ก็ส่วนหนึ่งทุกอย่างแปรปรวนไปเรื่อยๆไม่มีตัวเราที่แท้จริงหัดดูไปเรื่อยๆในวันหนึ่งมันจะค่อยล้างไปล้างความรู้สึกมีตัวมี ต, มตนตอนนี้ไม่อย่างมีอยู่นะหัดดูไปด้วยอ้าวต่อไปขอบคุณครับกล่าวนามสการครั บ, บ, รบหลวงพ่อครับคือ ก็ปฏิบัติมาหลายปีนะครับแต่ว่าเพิ่งเพิ่งตื่นมาประมาณ2ปีครับที่ที่ฟังหลวงพ่อครับก็คือแต่ก่อนก็ไม่ได้ฉูกใจเลยครับจนจนจนจ น, จนมีความโกรธเกิดขึ้นรู้สึกว่านั่นแหละเอ๊ะทําไมเราปฏิบัติแล้วเราโกรธ เ, เรายิ่งโกรธมากขึ้นมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราปฏิบัติผิดหรือเปล่า อ, อะไรเงี้ยก็เลยเลยเลยพอมาฟังเทปหลวงพ่อเลยรู้รว่าอ๋ออันนี้มั น, ม, นมันมันมิฉามันมิฉาครับมันมัมนมปฏิบัติผิด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 ก็คือก็ก็หลังๆมาก็รู้จักวิธีการแก้ปัญหารล่วงไอ้สิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นความรู้ความกดความหลงก็ไม่ต้องทำอะไรครับแค่ดูมันอย่างเดียวมัน<ะ>ก็ไปครับ ก, ก็รู้แค่เนี้ครับดูนะแล้วก็ถ้ามันฟุ้งซ่านขึ้มาทําความสงบนะทําสมถะบ้างสมถะเป็นของดีนะเคยทําก็ไม่ควรทิ้งหรอกแต่ที่ผ่านมานั้นทําผิดไปบังคับจิตให้สง บ, บแล้วมันไปติดอยู่ในความสุขความสงบพอหลุดออกจากตรงนั้นมันจะขี้โมโ ห, หมากกว่าคนปกติครับ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 พอใจมันอยู่ข้างในรู้สึกว่าใจมันรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะครับอืมครับส่วนใหญ่นะที่ใจไปอยู่ข้างนอกนะมันมีความสุขนะพอเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทุกข์สิแต่ของคุณทําได้อย่างนี้ดีมากเลยครับแ<ต>ใจอยู่ในนี้ด้วยมีความสุขอยู่ในนี้ด้วยครับก็คือใจมันอยู่ข้างในแล้วรู้สึกามันมีความสุขมากขึ้นรู้สึกว่าที่หลวงพ่อเคยบอกว่ามันสว่างกองทั้งกลางวานันกลางคืนเลยรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับแต่อย่าให้ติดมันนะ ครับก็ไม่ติดครับก็ยพยายามพยายามประคองอย่าไปรักษาเอาไว้ภายในจะออกนอกเรารู้ใช่นั้นพอแล้วดีกว่ากลัวออกนอกเรารักษาไว้ข้างในนะถ้ารักษาไว้ก็จะผิดเหมือนคนเนี้ยก็เนี่ยเห็นไต ร, รักแล้ว <c oughs> ไม่ได้นะ เงินเสียไปชาติหนึ่งเลยอ่ะคนต่อไปฟ<อ>ังคนดีนะใช้ได้นวัต ก, การข่ะหลวงพ่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะะแล้วค่ะเราเห็นโทสะไหมเห็นค่ะเพราะอาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะมันแรงมากจนหนูท้อเลยะคะ่ะเพราะว่าไปดุลูกท้อท้อเขเป็นโทสะอีกตัวหนึ่งค่ะมันมันมันท้อเพราะว่ามันเห็นว่ามันมันแรงมากบอกแฟนว่ามันแรงมากแรงจนตอนคืนคือดุลูกสาวนะคะ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 หนูก็คงเป็นเหมือนกันนะคะเพราะเวลานั่งสมาธิแล้วมันจะมีตัวนิ่งอยู่ตั ว, นนน ห, วหนึ่นงนั่นแหละแล้วหนูก็ที่หลวงพ่อว่าติดสมถะติดสมถะเขาติดแค่นั้นแหละใช่คือตัวนี้คงที่อยู่องนี้ใช่แล้วก็อุตส่าห์บอกว่าเอาไม่เพง่งไม่เพง่งสบายๆมันก็ยังเพ่งอยู่มันเ<ต>คยชินใช่ค่ะเพราะแล้วต้องหายใจหนูก็เลยคิดวหนูต้องหายใจแรงๆหน่อยใช่ไหยคะหายใจเรื<ๆ>่อยๆพอมันจะเริ่มลงปุ๊บหายใจขึ้นมาออืมแล้วอีกอย่างแต่ถ้าต้องการให้มันพักก็ปล่อยให้มันลงไปพักเลย แต่ไม่ขาดสตินะถ้ามันผ้าปล่อยมันคือมันก็มันกลมันจะขาดนะครับเพราะมันจะไม่รู้อะไรถ้า<ล>งั้นเราก็ฝึกแค่สติแล้ว เ, เข้มแข็งก่อนออแล้วต่อไป <ทำ S 2> มั น, มนลงนี่ก็ลงนี่ลงจะขึ้นจะลงนะ <c oughs> เวลาลงง่ายนะเวลาขึ้นก็ค่อยๆขึ้นมาขึ้นปวดเดียวปวดหัวนะใช่ค่ะพอวันนนที่หนูส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อสัปดาย์ที่แล้วพอกลับมานหนูก็ทั้งสมาธิคืนนั้นเลยะคะ่ะหนูเห็นว่า มันมีจิตหนึ <If> ่งท <Jamie, S 1> <anak> ี่มันตื่นแต่มันมีจิตหนึ่งที่รู้ว่ามันค่อยๆถอยมันออกมาแต่แต่มันแค่ครั้งเดียวแค่นั้นนะคะเมือื่นก็ไม่เป็นไรอย่าอยากเห็นอ๋อหลวงพ่อคะเรามีอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือว่าเออยากให้หลวงพ่อเมตตาที่แน่หนูว่าจริงๆหนูชอบมันมีสองอย่างนะคะคือจริงๆหลวงพ่อบอกว่ามันอะไรที่มันลุงลังอะค่ะคือหนูเป็นคนโภสะแรงไม่ชอบอะไรที่เป็นพิธีไม่ชอบอะไรที่มันลุงลังก็จริงแต่ทําไมชอบฟังอะไรที่มันยากๆอ่ะชอบฟัง มันเป็นนิสัยนะพวกโทสะกล้าเนี่ยมักจะปัญญากล้าอยากเรียนรู้อะไรซับซ้อนบางคนนะบางคนได้ยินอะไรยุ่งนิดหน่อยโทสะระเบิดเลยคไอ้พวกนั้นจะเป็นพวกติดราคะได้อะไรซับสนซับซ้อนนิดหนึ่งลำคาญแล้วแต่หนูกับชอบค่ะหลวงพ่อพอฟังยากๆเลยชอบเนี่ยหลวงพ่อภาวนายากภาวนาดูสภาวะเห็นสภาวะสักอย่างหนึ่งนะจะเห็นมันเกิดดับพ็ได้นะไม่ยอมหรอก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 มันไม่ใช่ข่มด้วยสมาธิจิตมันสูงขึ้นค่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะหลวงพ่อต่อไปจะรักแม่สามีเลย <c oughs> ถ้าไม่ได้เธอฉันไม่พัฒนาเท่านี้หรอกอำมาตสการ้ชค่ะโรคนี้เป็นโรคทั่วๆไปนะที่ได้ยินชื่อแม่สามีแลกปรีตเนี่ย <c oughs> มีคนเป็นเยอะ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 และเพื่อความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมของข้าพเจ้าทั้งหลายในการต่อไปเอวังโฮตุเอวังโฮตุโยจะปุเพปมัชชิตวาปัชชาโซนปะปัมมัชติโซมังโลกังปภาเสติอัภามุตโตวจันติมายัตสสะปะปังกะตัง ก, กัมมังกูเสเลนะปิยติโซมังโลกังปภาเสติอัภามุตโตวจันติมา อภิวาทนาสีลิสนิตจังบุทถาปจายโนจ ต, ตารโรธรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังอีกสองเดือนเจอกันนะแล้วต้องภาวนาดีกว่านี้นะ